ที่สิบสองรางวัลแห่งความหมลุดพ้นเป็นเวลาหกปีเต็ม ที่ประสังฆาาชเจ้าต้องทนทรมานเพื่อสแสวงหาสัจธรรมคือยาสําหรับบําบัดโรคเรื้อร่างของโลกคือความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกเศร้าเสียใจพิรายลำพันต่างๆเพราะประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างเพราะความพลัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างบัดนี้พระองค์ได้ประสบผลสําเร็จและต้องการพักผ่อน การพักผ่อนของพระองค์นั้นเรียกกันว่าสเสวยวิมุติสุขคือความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์รวมสี่สิบเก้าวันในสัปดาห์แรกประทับอยู่ณนะโพธิมณฑลบริเวณต้นโพที่ได้อาศัยตรัสรู้นั่นเองทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันกล่าวคือ หนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งสองสังขารสภาพที่ปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้สาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางอายจรรยหกสี่นามรูปหมายถึงนามและรูปห้าอายจนรยหกมีตาเป็นต้นหกภัสตาหก มีสัมผัสทางตาเรียกจกักขูสัมผัสเป็นต้นเจ็ดเวทนาหกคือการสวยอารมณ์เพราะสัมผัสด้วยอายตนาแปดตัณหาหกคือตัณหาในรูปเสียงปริ่นรสโพธพะและธรรมารมเก้าอุปาทานความยึดมั่นถือบ้่นสิบพบคือที่ที่เกิดแห่งสัตว์ในภพนั้น และเจริจำนงในการเกิดใหม่ 11. ชาติความเกิด ได้ทรงกระจัดชัดว่าสิ่งเหล่านี้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวคนมีอยู่ในตัวคนเกิดอยู่ในตัวคนแต่ละคนอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนสายโซ่มีสิบเอ็ดทวงห่วงที่ควรกําจัดและตัดให้ขาดก่อนก็คือตันหาและอุปาทานเมื่อกําแพงตันหาอุปาทานถูกผลักให้ล้มลงด้วยเครื่องมือกล่าวคืออริยมรรตีองค์แปดประการแล้ว แสงสว่างคือวิชาก็ลอดเข้ามาความมืดคืออวิชาก็พลันหายไปคลานั้นปฏิจจสมุ ป, บ, ป, ปบาทที่เหลือมีสังขารหละชาติพบทั้งปวงก็พลอยสลายตัวไปด้วยเสมือนเรือนประกอบคนอยู่ทั้งหลังได้เพราะมีเสาคำ้ำเมื่อดึงเสาออกให้หมดแล้วเรือนก็พันยุบลงไม่เป็นเรือนอีกต่อไปอีกอุปมาหนึ่ง เห ม, มือนไม้ทั้งต้นยืมอยู่เพราะรากปิดไว้กับแผ่นดินเมื่อทำลายรากเสี็จแล้วขุดเอารากออกให้หมดลำต้นกิ่งและใบก็เป็นอันถูกทำลายไปด้วยต้นไม้นั้นก็พลันลม้มลงกิ่งใบและลำต้นก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งไปสมตามที่พระองค์ตรัสแก่พิสูจ์ทั้งหลายว่าเมื่อรากไม้อย่างมั่นคงไม่มีอุปัตตวะใดๆต้นไม้นั้น แม้ถูกตัดแล้วก็อาจงอกขึ้นได้ฉันใดเมื่อตันหาหนุสส ย, ยังไม่ถูกรื้อถอนความทุกข์ก็เกิดขึ้นบ่อยๆฉะ น, นั้นแม้การสกัดกั้นเพียงแค่ภาษาเมื่ออารมณ์ใดๆมากระทบก็สักแต่ว่ากระทบไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายไม่ให้ตันหาอุ ป, ปาทานไปจับเกาะ ก, กับในอารมณ์นั้นๆก็เป็นทางให้แสงสว่างเกิดขึ้นได้ และอวิชชาก็าหายไปตามระยะที่พระองค์ตรัสกับท่านพาหิยะทารุกิริยะว่าดูก่อนพาหิยะเธอจงศักดิ์จะว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นจงศักดิ์จะว่าฟังในสิ่งที่ได้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงวิจารณาธรรมคือปฏิจจสมุ ป, ปบาทนี้ทั้งโดยอนุโลมปฏิโลมคือตามลําดับและทัวลําดับ ทั้งฝ่ายสมุทรไทยวานสายเกิดและนิโรธวาลสายดับว่าเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรดับไปอะไรจึงดับไปทรงทบทวนอยู่แล้วแล้วเล่าๆจนเกิดความชนาญในปฏิจจสมุ ป, ประบาทอันเป็นกฎแห่งเหตุผลเรื่องถึงกัน วัดนี้พระองค์ทรงทราบอย่างแจ่มแจ้งบริบูรณ์แล้วว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรจะดับชีวิตดับทุกข์ได้โดยวิธีอย่างไรความรู้อย่างกระจางแจ้งของพระองค์นี้ครอบคลมุมไปถึงความรู้ในสิ่งที่มีเหตุมีผลทุกประการพระรงค์จับจุดใหญ่ได้จึงสาวไปหาจุด หรือสายย่อยๆได้ทุกสายเหมือนบุรุษผู้ฉลาดจับเถาวันที่โคนได้แล้วมีสายของเถาวันไปนทางใดบ้างก็ไต่ไปตามสายนั้นแล้วกลับมาที่โคนเถาวันโดยสายเดิมเมื่อประสงค์จะทราบสายอื่นอีกก็คลำสายนั้นไปจนสุดสายมันจะไปจบลงตรงที่ใดก็กำหนดหมายไว้แล้วกลับมาที่เดิมในที่สุด ก็ทราบได้โดยตลอดว่าสายใดไปทางใดและไปจบลงที่ตรงไหนโดยปฏิจจสมุขบาทนี้พระสถาคตเจ้าสามารถทรงทราบสายชีวิตของมนุษย์โดยตลอดว่าผู้ดำเนินชีวิตอย่างไรจะไปจบลงอย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรจะนําไปสู่สวรรค์นรกและนิพพาน พระองค์สามารถตรัสบอกแก่ผู้ถามได้อย่างคล่องแคล่วและแน่นยำหมดความสงสัยในเหตุลผลทั้งปวงดังนั้นพระองค์จึงทรงเปล่งอุทานในประมยามแห่งลาตรีนั้นว่าเมื่อใดทําทั้งหลายปรากฏแก่บุคคลผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของเขายอมสิ้นไปทั้งนี้พระรู้แจ้งว่าสิ่งทั้งปวง ย่ำเกิดแต่เหตุในมันชฌิมยามพระองค์ทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่บุคคลผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของเขาย่อมสิ้นไปทั้งนี้พอ ร, รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยว่าเป็นเหตุให้สิ้นผลทั้งหลายพระองค์ทรงเปล่งอุทานในมัชฌิมยามว่าเมื่อใด ทาทั้งหลายปรากฏแก่บุคคลผู้มีความเพียงเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นเขาย่อมกำจัดมาและพวกของมาเสียได้ดุกพระอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดทําให้อากาศสว่างฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทัดสวยมุติสุขอยู่ณโพธิมณฑลเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วเสด็จไปสู่ต้นไทรใหญ่คันอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งต้นโพต้นไทรนี้ ได้นามว่าอจชปาลนิโคลธเพราะพวกเด็กเลี้ยงแพะชอบมาพักอาศัยทรงสวยมุติสุขอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาเจ็ดวันขณะที่ประทับอยู่ณที่นั้นมีพราหมู้หนึ่งเดินผ่านมาเขามีปกติชอบตะวาดผู้อื่นว่าฮือเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเป็นสมณะที่สงบจึงเข้าไปสนทนาด้วย เขาทูลถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลจะเป็นพรามได้ด้วยอะไรธรรมะอะไรที่ทำให้เป็นพราม ผู้มีพระภาคผู้มียานพิเศษแหลมคมประดุจเหล็กเพชรทรงบรรลุมาแล้วซึ่งเจโตปริยญาณสามารถกำหนดรู้จิตใจและอัธยาศัยของคนทั้งหลายเพื่อทรงตอบให้หมอแก่อัธาายาศัยแห่งพราหมณ์นั้นจึงตรัสว่าพราหมณ์เอ๋ยผู้ใดลอยบาปได้แล้วชำระบาปออกจากจิตใจเสียได้ไม่มีกิเลสทนรองถือตัวตนองตน ชอบแต่ตะวาดผู้อื่นว่าคืออันเป็นคำายากไม่มีกิเลสเครื่องย้อมจิตให้ติดแน่นดุจน้ำฝาดสํารวมตนดีจบพระเวทแล้วประพิจมมจั์จนเสร็จสิ้นแล้วไม่มีกิเลสทำให้เครื่องฟูผู้เช่นนั้นแหลคือพราหมณ์โดยความหมายใทางธรรมพราหมณ์นั้นทูลถามพระผู้มีประภาค โดยประสงค์จะรับคําตอบอีกอย่างหนึ่งแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงฉลาดในพระธรรมเทศนาเพื่อโน้มน้าวจิตใจของพราหมณ์นั้นให้มองเห็นความเบ็ดพราหมณ์ในอีกทัศนะหนึ่งคือพราหมณ์โดยคุณธรรมซึ่งใครๆก็สามารถเป็นได้เมื่อมีคุณธรรมดังกล่าวนั้นพวกพราหมณ์ในครั้งนั้นถือว่าเป็นเหล่ากอที่สืบมาแต่พรม จึงได้นามว่าพรามณ์แปลว่าเป็นวงพรมพวกนี้มีความถือตัวจัดระวังวันณะของตนไม่ให้รับคนด้วยวันณาอื่นแม้จะหาสามีพัญญาก็หาแต่ในพวกตนเท่านั้นถือว่าพวกของเขาเป็นอุพัตสุชาติคือเกิดมาดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาส่วนวันณาอื่นๆนั้น ต่ำกว่าวั น, นละพราทั้งสิ้น มีวิธีลอยบาปคือตั้งพิธีอย่างหนึ่งเป็นประจำปีที่เรียกว่าศิวาราตรีในพิธีนั้นเขาลงอาบน้ำในแม่น้ำสะกล้าวชำระ ก, กายให้หมดจดแล้วก็ถือว่าได้ลอยบาปไปตามกระแสน้ำแล้วเป็นสิ้นบาปกันแต่คราวหนึ่งถึงปีก็ทำใหม่เขามีเวทคือตำรับแสดงคำสวดอ้อนวอนเทวดาและการบูชายันกับทั้งมนทรับเส้น และกิจที่จะต้องทําในาศาสนาของเขาอยู่สามอย่างคืออิรุปเพศคือตำรับถแถลงพิธีสวดมนต์เวลาทําพิธีกรรมยาชุกเพศคือตํำรับถแถลงพิธีทํากิจบูชายันและสามเพศคือตํำรับถแถลงพิธีสวดเป็นลบนองในเวลาทําพิธีต่างๆถ้าเติมอัฐพนเพศเขาด้วยก็เป็นสี่ อธพนเพศคือตำหลับถแถลงวิธีรักษาโรคและการไล่ผีที่เข้าสิงในกายมนุษย์พราหมณ์ผู้กำลังเรียนเพศทั้งสามหรือทั้งสี่นั้นชื่อพรหมจารีคือผู้ประพฤติพรหมจร์ผู้เรียนจบแล้วชื่อว่าถึงที่สุดเพศหรืออยู่จบพรหมจร์แล้วคือเสร็จจิตเป็นเหตุอยู่ในสนาครูพราหมณ์ก็คือคนชาตินั้น ทำที่ทําบุคคลให้เป็นพราม์ก็คือใส่เพศเพื่อผู้มีพระภาคทรงอาศัยคําที่พราหมณ์คุ้นเคยอยู่นั่นเองมาทรงแสดงโดยปริยายใหม่เป็นการตีความหมายใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของพราม์ให้ไปสู่ทัศนะใหม่คือแสดงความเป็นไปแห่งพราหมณ์โดยคุณธรรมว่าบุคคลย่อมเป็นพราหม์คือผู้ประเสริฐได้ก็โดยการกระทําของเขาเอง ไม่ใช่พระชาติกําเนิดอย่างที่พวกพราหมณ์ทั้งหลายเข้าใจกันและนําสืบช่วงกันมาเป็นเวลานานพระผู้มีประภาคตรัสกับพราหมณ์ว่าผู้ที่จะเป็นพราหมณ์ควรเป็นผู้สํารวมตนดีจริงทีเดียวคนที่ควรเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐน่าเคารพกราบไหว้นั้นควรเป็นผู้สํารวมตนมีความระมัดระวังจิริยาวาจาด้ดีมีความรู้สึกทางจิตใจสูง เพื่อผู้อื่นจะไม่ต้องหลักสีษะจนเกินไายก็โค้งให้และเมื่อไหว้แล้วไม่ต้องกลับไปล้างมือที่บ้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่มีคนต้องเคารพบรนบนอบเพราะยศศักดิ์และตาแหน่งหน้าที่อันสูงส่งของตนก็ควรมีคุณธรรมอันสูงส่งตามขึ้นมาด้วยเพื่อผู้น้อยจะได้เคารพรบรอบด้วยสุจริตใจและสบายใจพึงระวังตนและสานึกตนอยู่เสมอว่า ยศและฐานะตำแหน่งอันสูงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณธรรมสูงกว่าผู้ที่มียศน้อยมีฐานะที่ต่ำต้อยน้อยกว่าเสมอไปผู้น้อยบางคนอาจจะมีคุณธรรมที่สูงส่งกว่ามีมันสมองเฉียบแหลมกว่าและมีความคิดดีกว่าเป็นแต่เพียงว่าเขามีโอกาสน้อยกว่าเท่านั้นจึงยังเป็นผู้น้อยอยู่หากผู้ใหญ่ซึ่งสูงด้วยยศ ด้วยตำแหน่งฐานะเป็นผู้ที่สูงด้วยคุณธรรมด้วยแล้วนอกจากจะน่าเคารพกราบไหว้แล้วยังจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้น้อยอีกด้วยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคไม่ได้ผลอะไรเลยพรามผู้นั้นฟังแล้วก็บ่นพึมพำว่าพระสมณะโคดมรู้ความในใจของเราพระสมณะโคดมรู้ความในใายของเรา แล้วค่อหลีไป พระทาภตเจ้าประทับอยู่ลภายใต้ตนอัชตาลิธโธดเป็นเวลาเจวันแล้วเสด็จจาริศไปยังไม้จิตอันเรียกว่ามุดจรินอันตั้งอยู่ทางทิศอาคาเนย์แห่งพระมหาโพธิ์ทรงดั่งสวยวิมุติสุขอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาเจ็ดวันและทรงเป็นอุทานในที่นั้นว่าความวิเวก ข, ของผู้สันโดษผู้รู้ทำรรเห็นธรรมเป็นความสุข ความไม่เบียดเบียนและความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขการก้าวล่วงการทั้งหลายเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งกล่าวกันว่าครั้งนั้นฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันและลมหนาวก็พัดมาไม่ได้ขาดพระยา น, นาคชื่อว่ามุจจรินได้มาวงขนดเจ็ดรอบเป็นพระพุท ธ, ธาอาจและแพ่พังพานปกประเสีพระผู้มีพระภาคเพื่อมิให้ผลและลมต้องพระกาย เมื่อผลหายแล้วก็คลายขนดจำแรงเพศเป็นมานกยืนเฝ้าพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักตรต่อจากนั้นพระสถาคตเจ้าเสด็จไปประทับณนะภายใต้ไม้เกศหรือเรียกว่าราชายตนะอันอยู่ทางทิศใต้แห่งต้นโพเสวยมุติสุขอยู่เจ็ดวันครั้งนั้นมีพานิชย์สองพี่น้องชื่อตากุศ์และพลิกา เดินทางมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอาการอย่างผู้ประสบแล้วซึ่งชัยชนะอันใหญ่หลวงจึงเข้าไปเฝ้าทูลถวายอาหารที่เขานำติดตัวมาแด่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาในกุศลเจตนาของเขาด้วยพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาหลังจากได้สนทนากันพอสมควรแล้วพานิทั้งสองก็เกิดความเลือบใสในพระองค์ ขอแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระองค์และพระธรรมรับได้ว่าพานิษย์สองพี่น้องนี้เป็นอุบาสกคู่แรกในโลกที่ถึงพระธนาสองคือพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้า เป็นที่พักผ่อนของเด็กเลี้ยงแพ้อีกทรงพิจารณาธรรมะที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วแทงตลอดแล้วและได้จัดสรู้แล้วว่าเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ได้ยากไม่ใช่วิสัยเหตุตากะคือการลึก่าเอาเพราะธรรมที่พระองค์ได้จัดสรู้แล้วนี้อังบุคคลผู้เพียบแปรไปได้วยราคะและโทสะจะรู้ไม่ได้เลย หากพระองค์จะแสดงธรรมก็จะพึงเหนืยเปล่าไม่ได้ประโยชน์เมื่อทรงดำริเชน่นนี้แล้วจึงท้อรพระไทยไม่น้อมพระไทยไปเพื่อแสดงธรรมแต่เพระมหากรุณาที่พระองค์ทรงสั่ง ส, งสมมาเป็นอเลขชาติก็ขุดขึ้นในพระไทยบทัดนี้พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วซึ่งอดีตและอนาคตอย่างปลอดโปรง่งสมบุกสมบูรณ์ผู้มีในตาดี มองวัตถุในกระจกใสฉะนั้นพระองค์ทรงอย่างพระยานถอยหลังไปถอยหลังไปและได้ทรงเห็นแฉมแจ้งว่าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมามากลน้นก็โดยเดจตจานงอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือพระองค์เองและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากกงกรรมแห่งสังสารวัตรเพื่อช่วยเยียวยาเขาเหล่านั้นให้หายจากโครคเกิดแก่เจ็บและตาย เบัดนี้พระองค์เองได้บรรลุจุดมุ่งหมายอันนั้นแล้วเหตุไหนเล่าจะทรงละเลยปฏิยาซึ่งได้ทรงให้ไว้แก่พระองค์เองมาเป็นเวลานา น, านเหตุไหนจะทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เกิเสื่อะสนและ ง, งมอยู่ในความมืดต่อไปหากพระองค์ได้กลับรู้แล้วมีความขวนขวายแสวงหาความอยู่เป็นสุขแห่งพระองค์ไปตลอดพระชนมาชีพแล้ว พระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเพื่อพระอนุตระสัมมาสัมโพธิยาณจะมีประโยชน์อันใดอนหนึ่งหาพระองค์ประสงค์เพียงสิ้นกิเลสและนิพพานไปแล้วพระองค์ก็ทรงมีโอกาสตั้งแต่สมัยแห่งพระทีปังกอพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงละเลยโอกาสนั้นเสียเพื่อสั่งสมพระบารมีให้แก่กล้าเพื่อลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกอัคราปุรุตวรรละเลโล สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในห่วงแห่งความมืดมานานนักแล้วทำอันไม่บริสุทธิ์เชือ้อในมณฑินอันบุคคลผู้มีมณฑินประจําสันดานประกาศให้คนหลงผิดกันมานานนักหนาแล้วถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงย่ำธรรมเพรีประกาศทำอันบริสุทธิ์เสมือนปีกลองให้คนมีโสต ด, ดีได้ยินส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักสุได้เห็นรูป พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปว่าในโลกนี้คนที่มีทุลีคือกิเลสน้อยพอจะสอนให้รู้ตามได้ก็น่าจะมีอยู่คนพวกนี้จะพลาดโอกาส ง, งามหากพระองค์ไม่ประกาศธรรมเพราะบุคคลบางพวกจะได้ฟังธรรมของพระตถาคตหรือไม่ได้ฟังก็ตามย่ำเดินออกจากคล อ, อ, องแห่งกุศลธรรมมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ คนบางพวกจะได้เห็นพระตถาคตฟังธรรมของพระตถาคตหรือไม่ก็ตามก็ไม่ออกจากคลองแห่งอกุศลธรรมมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมแต่คนบางพวกเมื่อไปได้ฟังธรรมของพระตถาคตก็ไม่สามารถสู่ทางแห่งกุศลธรรมได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมของพระตถาคตจึงสาพาดเข้าสู่คลองแห่งกุศลธรรม หากพระองค์ทรงขวนขวายน้อยมดเว้นการแสดงธรรมเสียแล้วบุคคลพวกสุดท้ายก็จะพึงพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายระหว่างเวลาอีกสองสามสัปดาห์ต่อมาพระพุทธองค์ได้ทรงเวียนบนอยู่แถบโพธิมณฑลและอาจจปาลิโคธเพื่อทรงพักผ่อนสวยวุติสุขและพิจารณาธรรมซึ่งพระองค์ทรงบรรลุแล้วมีปฏิจจสมุ ป, ปบาทและอริยสัจสี่เป็นต้น รวมทั้งชาตต่างๆทั้งแปดระดับรวมเป็นเก้าทั้งสัญญาเวทยิตานิโรธคือการดับสัญญาและเวทนามีบางครั้งเหมือนกันที่พระองค์เสด็จแวะเวียนไปสนทนากับเพื่อนมุดีหรือนัก บ, บวชแถบนั้นอันทรมานตนอยู่ด้วยวิธีต่างๆบางคนเหยียดแขนทั้งคู่ขึ้นเบื้องบนทั้งกลางคืนและกลางวัน จนกระทั่งร่างกายเลือดเนื้อสูบซีดเกือทยาธิข้อกระดูกและอวัยวะงองแง่งทุกขลาภาพสิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือบาอเหียวแห้งเหมือนกิ่งไม้ตายติดอยู่บนตน้นบางคนกำมือของตนไว้จนแน่นด้วยกิริยาอาการแห่งผู้มีทิฐิมาลนะพึงสยองจนเล็บแหลมคมทะลุไปตามฝ่ามือซึ่งเปื่อยเน่า บ้างก็เดินด้วยรองเท้าที่มีตะปูต่อแค่ปลายสัมผัสกําลังเท้าบ้างก็กรีดอกกรีดหนาผากกรีดซี่โครงกับหินคมหรือบางคนก็ล่นลวกตัวเองด้วยเพลิงทิ่มแทงตนเองด้วยหนามป่าและปลายเหล็กแหลมบ้างถูทากายด้วยโครและที่เท่านอนบ น, นสิ่งโสกครพันเสเอลตนด้วยเศษผ้าซึ่งเก็บมาจากซากศพบ้างอาศัยอยู่ในที่โสโคร ทันใช้เป็นที่เผาศพและน้ำรงตนอยู่เป็นเพื่อนกับซากศพแห่งป่าชา้าบ้างก็ร้องออกนามพระศิวะวันละห้าร้อยครั้งมีงูขู่ฟอพันรอบคออันผอม บางคนบนศีรษะมีรอยแผลที่พุขึ้นเพราะความร้อนตาโบวเป็นหลุมลึกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อหดเหี่ยวหน้าเหี่ยวแห้งซีดเหมือนคนที่ตายมาแล้วห้าวันบางคนนอนหมกอยู่กับฝุ่นละอองทุกๆเวลาบ่ายจะพยายามตัวเมล็ดหญ้าพันเมล็ดและกินทีละเมล็ดในที่สุดก็ถึงแก่ความสายเพราะขาดอาหารและหิวโหวย บางคนกินถั่วกับใบไม้ขมโดยเกรงว่าปากตนจะได้รับโอชารสบางคนกำลังทำลายอวัยวะของตนจนกระทั่งต า, อาบอดหูหนวกลิ้นขาดและไม่มีอวัยวะเพศแล้วก็กลายเป็นคนห้อยคนเปรีย้ยพิการไปนี่แหละคือภาพนาอนานาใจที่มีอยู่เกลิ่นกล่นในดิดแนนดนถูกภูตวิหิเขาเหล่านั้น เชื่อาตามคัมภีร์ที่ว่าการประพฤติตนทรมานร่างกายอย่างนี้เป็นทางที่จะทําให้เทพเจ้าโปรดปรานและจะประทานพอลงมาให้และเป็นทางที่จะให้เขาเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเทพเจ้าบนสวรรค์อริจาช่างน่าสงสารถิ่นกระไรใครเล่าเป็นผู้หลอกเขาเหล่านั้นให้นําตนเข้าไปสู่ที่ทรมานและใครเล่า จากลดเรื่องเขาเหล่านั้นให้พ้นจากความทรมานซึ่งเขาก็ททำไปโดยความโง่เขา บทที่สิบสามกับนักทษผู้ทรมานกาย มหากรุณาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระผู้มีประภาสอย่างท่วมทน้นพระองค์มีพระประสงค์จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นให้ออกจากที่มืดสู่แสงสว่างเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงพบมาแล้วทรงประสงค์จะปลดเรื่องพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานอันไร้ประโยชน์เพื่อเขาเหล่านั้นจับได้บำเพ็ญประโยชน์ตนเองอย่างเต็มที่และถูกทาง แลแล้วจากแผ่ประโยชน์นั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระตถาคตเจ้าได้เข้าไปหาผู้บำเพ็ญตะบะทรมานตนผู้หนึ่งซึ่งประพฤต์เอามือเหนียวกิ่งไม้จนมือเหี่ยวแห้งเล็บยาวทะลุออกมาจากฝ่ามือที่เน่าเปื่อยสติปัญญาของเขาเลอะเลือนจนไม่อาจจำได้ว่าเขาได้ประพฤติฉะนั้นมานานเท่าใดแล้ว ท่านผู้บำเพ็ญตบะพระผู้มีพระภาคตรัสพระกระแสเสียงรุ่มนวนเปี่ยมล้นด้วยพระมากรุณาคุณท่านบำเพ็ญตบะทรมานตนอย่างนี้เพราะประสงค์สิ่งใดเป็นเรื่องตอบแทนเขามองพระพุทธองค์ด้วยสายตาที่แสดงความเหยียดหยามในฐานะที่พระองค์ทรงอยู่ในลักษณะเช่นนักพรตแต่ ทรงมีผิวพรรณผ่องใสสะอาดบืร์มีรสนิไม่ได้บำเพ็ญตะบะเย่าเขาอาวุโสท่านคิดว่าตะบะไม่ควรแก่นักพรตหรือข้าพเจ้านั้นปฏิญาณตนเป็นนักพรตหาเรือนมีได้จึงควรบาเพ็นตะบะที่เก้่งงวดให้สมกับที่สละบ้านเรือนมาความประสงค์ของข้าพเจ้าก็เพื่อให้ร่างกายนี้ หมดความดิ้นรนร่านในตันหาให้ตันหามันเหี่ยวแห้งเน่าเปลือยไปเช่นเดียวกับกายนี้โดยมรคานี้ข้าพเจ้าจกไปถึงเทพเจ้าและเทพเจ้าย่อมโปรดปรานบุคคลผู้ทนทรมานอุทิศกายเป็นพีแก่พระองค์ท่านทําอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วพระศาสดาตรัสถามเขาสั่นที่สักเป็นทํานองว่า ำไม่ได้พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าท่านได้อะไรบ้างจากการทำเช่นี้เขาไม่ตอบอาจเพราะว่าเหนื่อยหรือไม่ทราบว่าจะตอบประการใดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนผู้บาเพ็ญตะบะความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดจากการเหนี่ยวรั้งเหนียวรั้งภายใน คือจิตใจของท่านปเป็นเดี่ยวรังเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาด้วยตัรหาอุปาทานว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นคือการหลั่งไหลามาแห่งทุกข์หากท่านสามารถปล่อยวางภายในได้โดยไม่ต้องเหนี่วรังเอารูปเสียงและแม้จะเทพเจ้าหรือการเข้าถึงเทพเจ้ามโหฬารแล้วท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาเหนี่ยวรังกิ่งไม้จนมือเปือยอย่างนี้ อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตของผู้ที่ได้พบเห็นดิ่งนักจงปล่อยเสยเถิดเพื่อนผู้บำเพ็ญตบะจงปล่อยอารมณ์ที่ท่านเหนี่ยวร้างไว้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วท่านจะรู้เองว่าการเหนี่ยวร้างกิ่งไม้อยู่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากท่านจะเหนี่ยวร้างสิ่งใดในเบื้องต้นข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่าน เนียวรั้งการสำรวมตนเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพยายามทำจิตใจให้สงบโดยการเหนี่ยวรั้งอารมณ์บริสุทธิ์เช่นนั่งภาวนาว่าดินดินจนใจท่านสงบลงอาศัยความสงบนั้นเป็นรากฐานแสงสว่างก็จะโพลงขึ้นในจิตใจของท่านนี่คือมัรกที่ชอบอันท่านควรเดิน พระผู้มีพระภาคด้ยสายตาที่ไม่พอใจพลางกล่าวว่าท่านาคันตุกะข้าพระเจ้าขอบใจท่านที่หวังดีแต่ขอให้ท่านเดินไปคนเดียวเถิดมักเช่นนั้นข้าพระเจ้าไม่ประสงค์เดินพระผู้มีพระภาคจากผู้บำเพ็ญตะบะคนนั้นไปพลางทรงเอื้อนพระโอษฐ์เบาวๆว่าอันยโยแนะนำไม่ได้ พระองค์เสด็จไปสู่ที่อยู่ของนักพรตอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินโดยรองเท้าที่ตอกด้วยตะปูแหลมหรือบำเพ็ญตะบะด้วยการเดินบนหามแหลมเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเขาก็หยุดเดินแสดงอาการปฏิสันถานพระผู้มีพระภาคผู้เปี่ยมร้นด้วยพระมหากรุณาได้นสนทนากับเขาเมื่อสัมโมทนียกถาร่วมไปแล้วพระองค์จึงตรัสถามว่า ดูก่อนผู้บำเพ็ญตะบะท่านประพฤติเช่นนี้เพื่อสิ่งใดท่านต้องการอะไรเป็นผลสูงสุดแห่งการประพฤติตนบนหนามเช่นนี้เอาโสข้าพเจ้าทราบว่าการบำเพ็ญตะบะทรมานกายนั้นเป็นที่พอใจของเทพเจ้าการที่เทพเจ้าโปรดดานั้นเป็นความสุขประการสําคัญของมนุษย์เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงบำเพ็ญตบะเพื่อการโปรดปรานแห่งเทพเจ้านั้นข้าพเจ้าทรมานร่างกายอย่างเข็งนวดเทพเจ้าคงจะโปรดปรานข้าพเจ้าอย่างแน่นอนและหลังจากที่ข้าพเจ้าดับชีพแล้วเทพเจ้าจะต้องต้อนรับข้าพเจ้าด้วยความยินดีท่านผู้บำเพ็ญตบะท่านเชื่อแน่หรือว่าเทพเจ้าตามความหมายของท่านนั้นมีอยู่จริง และสามารถอำนวยประโยชน์สุขตามที่ท่านต้องการได้อาวุโสถ้าข้าพเจ้าไม่เชื่ออย่างแน่นแฟ้์แล้วข้าพเจ้าจะทําอย่างนี้ได้อย่างไรถ้านเล่ามีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเพื่อนนี้ดูก่อนท่านผู้บำเป็นตะบะเรื่องการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆที่นักพรตหลายนิยมกระทํากันทั้งในปัจจุบันและอดีตข้าพเจ้านั้นได้ทํามาแล้ว แต่จากการกระทำทุกกราคิยานั้นขปเจ้าไม่ได้อะไรคันเป็นความแช่มชื่นใจเลยขปเจ้าจึงเลิกละการกระทำเะนั้นเสียทศนาของขปเจ้ามีว่าจิตใจและร่างกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกันผู้ประสงค์เดินทางไปสู่ความสาเร็จอันสูงส่งจะต้องประคับประคองกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรงพอที่จะต้านทานลมแดดและโรภคภัยไข้เจ็บได้ ในเวลาเดียวกันก็ควรฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับอารมณ์ร้ายอังจะรบควรจิตใจให้คลายเผท่านผู้บำเพ็ญตะบะข้าพเจ้าเห็นว่าแทนที่ท่านจะย่ำอยู่บนหนามนี้ถ้าท่านจะพยายามข้ามและย่ำยีหามคือการเสรียได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านมากอันหนึ่งชีวิตมนุษย์นี้โดยธรรมดาก็ย่ำอยู่ เกลือกกลอยู่บนน้ําแห่งชีวิตนานาประการนั่นคือความทุกข์อันเข้ามาในรูปแบบต่างๆที่คอยเสียบแทงทั้งร่างกายและจิตใจให้ชอกช้ำเสมออยู่แล้วเราควรคิดว่าทําอย่างไรจึงจะถอนน้าแห่งชีวิตนี้เสียได้อาวุโสน้ําแห่งชีวิตที่ท่านกล่าวถึงนั้นคืออะไรกรเล่าท่านผู้บำเพ็ญตะบะ น้ำที่เสียบแทงกายของข้าพเจ้าหมายถึงความทุกข์ทางกายแม้ท่านจะไม่ต้องเพิ่มให้มันโดยการเดินบนรองเท้าที่มีหนามหรือนอนบนหนามมันก็มีมากอยู่แล้วเกิดขึ้นเพราะความเจ็บโดยโรคภัยเบียดเบียนเพราะอันตรายอันเกิดจากสัตว์ร้ายบ้างจากลมแดดบ้างจากอื่นๆบ้างอันเป็นอันตรายทางกายส่วนน้ำซึ่งเสียบแทงใจยอยู่นั่น ก็คือกิเลสประการต่างๆมีความไขยบ้างความโลภความโกรธและความหลงบ้างเป็นต้นผู้บำเพ็ญตะบะคนนั้นมองดูพระผู้มีพระภาคอย่างหมิ่นๆมิ่นแล้วกล่าวว่าเอาโสข้าพระเจ้าเสียใจที่ไม่เข้าใจภาษาของท่านหลักธรรมและทัศนาของท่านนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเทปเจ้าจะเป็นสิ่งประเสริฐไม่ได้เลย เชิญท่านตามสบายของท่านเถิด อีกคนหนึ่งซึ่งนิยมเผาลนตนเองด้วยไฟเขาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการบำเพ็ญตบากของเขาเพราะพระเจ้ากงคตว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าการเผาลนตนเองด้วยไฟนั้นรังแต่จะทําให้ร่างกายร่าเรอนเปล่าไม่ได้รับประโยชน์คุ้มกับการลงทุนแต่ประการใดอันหนึ่งมนุษย์เราทูเพลินสองกอง คือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เผาลนอยู่แล้วโดยปกติควรหาทางกำจัดเพลิงท่านสองนั้นเสียโดยพลันแล้วประสบความสุขสงบเจน็นโดยไม่ต้องคอยรับพรอจากเทพเจ้าแต่ประการใดเทพเจ้าไม่เคยช่วยเหลือใครที่ไม่ช่วยตัวเองนักพรตผู้นั้นคงเมือนกับพระดำรัสของพระพุทธองค์เหมือนนักพรอื่น พระสถานโคดเจ้าอาศัยพระไทยอันเปี่ยมด้วยความครุณาสเสด็จไปสู่สำนักของนักพรต อ, อื่นๆ อ, อีกส่งสนทนากับเขาทรงแสดงทัศนะของพระองค์ที่มีต่อการบาเพ็ญตบะนั้นนักพรตเหล่านั้นก็คงเหมือนกับนักพรต อ, อื่นๆในแถบนั้นคืองมงายอยู่กับความเชื่อถือ เ, เก่าๆไม่สนใจใย ด, ดีต่อพระทัศนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่า การจะโปรดนักพนตผู้งมงายและเต็ไมไปด้วยทิฐิมานะอันผิดเหล่านั้นไม่ได้ผลแล้วพคาถาคตเจ้าก็ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่พระองค์ควรจะโปรดต่อไปแต่แล้วทรงหวนคำนึงว่าขนาดนักพนตผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่แล้วยังไม่ใยดีฟังพระดํารัสของพระองค์ก็คนทั้งหลายอื่นซึ่งเพียบแฝ่อยู่ด้วยราคะโทสะและโมหะ มกมุ่นอยู่ในลาบยศสันเสริญและสุขอันเข้าอยู่ด้วยโลกีจะสนใจฟังพระดำรัสของพระองค์หรือจะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ได้อย่างไรลำดับนันพระผู้มีพระภาคก็ท้อพระไทยในการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่งส่งน้อมพระไทยไปด้วยความเป็นผู้ผวนขวายน้อยปรารถนาความอยู่เป็นสุขโดยลาพังพระองค์ในปัจจุบัน ขณะที่ทรงเดินไปเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ณนะริมสระแห่งหนึ่งณตะบลอุรุเวลานั่นเองในเวลาเช้าตรู่ทรงมองดูดอกบัวซึ่งชูดอกสรางอยู่เต็มสระบางดอกโผล่ขึ้นมาพ้นน้ํามากแล้วบางดอกตั้งอยู่เสมอน้ําและบางดอกยังจมอยู่ในน้ําดอกที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ํามากแล้ว พร้อมที่จะบานเมื่อต้องแสงสูงในยามเช้าย่อมบานได้โดยพลันดอกที่ตั้งอยู่เสมอน้ำย่อมบานในวันรุ่งขึ้นส่วนดอกที่อยู่ใต้น้ำย่อมโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำและจะบานในวันต่อๆไปเพราะองค์ทรงคำหนึ่งว่าบุคคลในโลกนี้ก็ทำานองเดียวกันบางพวกมีปัญญาแข่กล้าคือมีทุลีกิเลสน้อย พร้อมที่จะดำเนินตามคำสอนของพระองค์และบรรลุมรรคผลได้โดยฉับพลันพระองค์ไม่ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยมากพระาศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์โลกได้ตรัสอธิบายพระธรรมเทศนาแก่นางกีสาโกตมีอีกเป็นอเนกกับปรยายเมื่อจบลงนางก็ได้บรรลุอรหัตผลด้วยพระกาวรรัชนี เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงใค่ครวญถึงบุคคลผู้ควรรับพระธรรมเทศนาของพระองค์เป็นประถมก็ทรงหวนลึกถึงดาบททั้งสองคืออาราระและอุตกระผู้เคยเป็นครูของพระองค์มาแต่ได้ทรงทราบว่าตาบททั้งสองนั้นถึงแก่กรรมเสียแล้วพระองค์ถึงกับอุทานออกมาว่าน่าเสดาจริงน่าเสดาจริง ดาบททั้งสองนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามีกิเลสเบาบางอยู่แล้วหากได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุคุณธรรมพิเศษได้แต่มารดาคือความตายมาแย่งชิงโชคอันใหญ่หลวงของดาบททั้งสองไปสก่อนเขาได้พลาดโอกาสามเสียแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงพิจารณาถึงผู้ควรรับพระธรรมเทศนาอื่นอีกก็ ทรงเห็นปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยอุปถัมภ์พระองค์อยู่เคยทำอุปการะให้พระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาพระองค์ควรเสด็จไปโปรดพวกเขาเพื่อปฏิการแก่ความพักดีและความหวังดีของเขา คาถาขุดเจ้าจิงเสด็จออกจากภายใต้ต้นอชปาลนิโครดมุ่งหน้าสู่อิสิ ป, ปัตนามิกทายอันเป็นที่อาศัยอยู่ของปัญจวัคคีในระหว่างทางระหว่างแม่น้ําขยาตะแดนมหาโพต่อกันทรงพบอาชีวกผู้หนึ่งชื่อว่าอุ ป, ปกาเดินสวนทางมาเขาเห็นสีผชวีของพระองค์ปุดผองเป็นรัศมีเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่า นักพรตผู้นี้คือใครกันหนอผิดจากนักพรตที่เคยเห็นมาเขาบวชในสำนักของใครมีใครเป็นครูท่าทางยังหนุ่มคงไป็ศิษย์ในสำนักใดสำนักหนึ่งอาการที่เยื่องย่างของเขาเล่าดูงานสง่าน่าสนใจยิ่งจึงกล่าวถามออกไปว่าท่านนักพรตชวีวันของท่านหมดจดขาวผองอินทรีย์ของท่านนั้น ผองสายยิ่งนักท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใครเพราะผู้มีประภาคตรตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำเรด้องบททุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เราเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวง หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัญหาเราหักโกงกรรมแห่งสังสาระจักอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะพื้นอ้างใครละว่าเป็นศาสด า, ศาอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เป็นเหมือนเราไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีเราเป็นอัลฮารในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งกว่า เราผู้เดียวเป็นสัมมาสัพุท ธ, ธะเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่พระธรรมจักจะไปตีกลองแห่งอมตะธรรมให้กึกกล้องขึ้นอุ ป, ปะกามองพระผู้มีพระภาคด้วยสายตาที่ไม่ได้แสดงความยกย่องอะไรเลยและถามอย่างย่อๆว่าอาวุโสท่านเป็นผู้ชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และใหญ่โตปานนั่นเทอะฤพเราพูดตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสคงเป็นไปได้นะอุโศคนที่รู้อะไรอะไรได้เองไม่มีครูอาจารย์ท่านพิเศษเกินไปเขาย่ะเ ย, ย้ยแลบลิ้นสายทิรษะแล้วก็เดินหลีไป ก็ผู้มีพระภาคก็เสด็จดำเนินต่อไปและเสด็จถึงอิสิปัตนะละเย็ยวันหนึ่งซึ่งเป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหะเดือนแปดพวกปัญจวัครขีได้เห็นพระองค์แต่ไกลจำได้นัดหมายกันว่าอย่าลุกขึ้นยืนรับอย่ารับบาทและชีวอปูจะอาสนะไว้เมื่อพระสมณะโคดมปราถนาจะนั่งก็จงนั่งเมื่อไม่ปราถนาก็จงเลยไป แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จมาใกล้นักบวชทั้งห้านั้นได้เห็นอะไรบางอย่างอันแสดงลักษณะสูงส่งของพระพุทธองค์เช่นพระลักษณะอันสง่างามพระชวีผิวพรรณผุดผ่องพระอาการอันแสดงความเชื่อมั่นในพระองค์เองอย่างมากและอื่นๆ อ, อีกอันสอบในทางว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สูงส่งประเสริฐ และทรอบงำสิ่งทั้งปวงได้ด้วยพระเดชและพระบารมีพระปัญจวัคคีไเมื่อเห็นพระอาการดังนั้นก็มีความตื่นเต้นในใจมีอาการละล้าละลังอยู่ครู่หนึ่งลืมข้อนัดหมายที่ปกตนได้สัญญากันไว้ว่าจะไม่ลุกรับไม่รับบาดและจีวรไม่เชิญให้นั่งหากทรงประสงค์ก็จะนั่งไม่ประสงค์ก็จงยืนอยู่ตรงนั้นเสียสิ้น บางคนกุลีกุจอขอรับบาตรบางคนขอรับชีบรบางคนรีบหาน้ำมาชำระพระบาทและบางคนรีบจ it ับแจงปูอัสนะหม่ให้ให้สมกับพระเกียรติในความหมายว่าเป็นผู้สูงส่งเพราะชนะตนเองได้กันเด็ดขาดแล้วเขาเหล่านั้นก็มีอาการเคารพนกนอบต่อพระพุทธองค์ตามควรกาถานา เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเรียบร้อยแล้วและตรัสถามถึงผาสุวิหารแห่งเขาทั้งหลายเหล่านั้นจึงตรัสต่อไปว่าบัดนี้พระองค์ท่านบรรลุถึงธรรมพิเศษอันพระองค์สแสวงหามาเป็นเวลานานบัดนี้พระองค์สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปัญจวัคคียิ้มยันแล้วกล่าวว่าอาวสโสโคตมะเมื่อท่านทำความเพียรอย่างเข้มงที่สุด ท่านก็ยังไม่อาจบรรลุทำอะไรได้เลยปัจจีบัท่านเลิกละความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มกักมากแล้วท่านจะรู้อนุตจริยธรรมโดยทางย่อหย่อนนั้นกด้อย่างไรอย่าเลยพระโคดมท่านอย่าได้โอ้อวดให้เกินความจริงไปเลยพวกเราไม่อาจเชื่อท่านได้สร้างกรรพริบสูงตั้งหลายเพระผู้มีประภาตรัสทผอ่อนโยน มีพระอาการราบเรียบเป็นปกติซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริงคำพูดเช่นนี้เราเคยพูดกับท่านทั้งหลายมาบ้างแล้วหรือในการก่อนแต่การนี้ไม่เคยเลยพระโคดมปัญจวัคคีตอบถ้าอย่างนั้นท่านมีอะไรพิสูจน์ว่าเรากล่าวโอ้วดหรือกล่าวเท็จพวกเราเชื่อว่า การบรรลุอนุตตรธรรมนั้นย่อมได้ด้วยการมาเป็นความเพียรอย่างเข้มงวดอย่างที่พระโคโดมเคยทํามาแต่เมื่อพระโคโดมเลิกความเพียรเช่นั้นเสร็จแล้วก็เป็นอันหมดหวังฟังก่อนภิกษุการตั้งหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วดาเนินให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักการนั้นย่อมมีวิธีการอยู่หลายอย่างเมื่อไม่อาจประสบผลสำเร็จ ด, ด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง ก็ควรลองทําด้วยวิธีการอีกอย่างหนึ่งเราอาจเปลี่ยนวิธีการแต่ว่าหลักการของเรานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจุดมุ่งหมายของเราก็คงเดิมฟังก่อนศิกษาอุปมาเหมือนดีบุรุษผู้หนึ่งต้องการน้ำเดิมเพราะกระหายเขาพยายามคั้นน้ําจากเมล็ดทรายบ้างจากเขาโขบ้างจากก้อนศิลาบ้าง ได้รับความลําบากเห็ดเหนื่อยแสนสาหัสไม่เห็นว่าไม่อาจได้น้ําจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจึงเลิกเสียมานั่งพักผ่อนเพื่อสะสมกําลังกายเพียงเล็กน้อยแล้วก็เริ่มหาวิธีการต่อไปเขาเห็นกอหญ้ากอนหนึ่งงอกอยู่ในดินคิดว่าน่าจะพบน้ําจากตรงนั้นเขาจอบและเสียมแซะและขุดลงไปตรงนั้นได้เรี้ยวแรงทั้งหลายเท่าที่เขามีอยู่ ขุดลงไปขุดลงไปก็พบตาน้ํามีน้ําพุ่งขึ้นมาใสาสะอาดและเย็นเขาอาบและดื่มตามความต้องการอาบและดื่มอย่างนี้ความสุขให้คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยจากการขุดเขาประสบความสุขจากการนั้นจึงนึกถึงคนที่เคยให้กําลังใจคราวที่เขาคัดเมล็ดทรายศิลาและเขาโคเพื่อว่า เขาเหล่านั้นจะได้ดื่มบ้างและบอกวิธีว่าวิธีหาน้ำในที่แห้งแล้งนั้นควรจะทําอย่างไรท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบุรุษผู้นั้นเป็นคนโง่หรือฉลาดน่าสันเสริญหรือว่าหน้าติเตียนปัญจวัคคีตอบว่าบุรุษผู้นั้นฉลาดมากและน่าสันเสริญอย่างยิ่งพระโคดม